มาอยู่ก็ประเดียวเดียวเท่านั้นแหละไปแล้วเพราะฉะนั้นคนเรานะเมื่อเวลาได้ประสบภัยพิบัติอะไรมาแล้วมันถึงได้เดือดร้อนกั น, นเพราะจิตใจไม่ตั้งมั่นไม่ได้น้อมใจเข้ามาอยู่ในปัจจุบันนี่แต่ส่งใจโวกแวกไปตามอารมณ์ภายนอก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 มันจะเห็นชัดอยู่อย่างนี้แหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงของชีวิตยอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้นะ่ะจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นถ้าอย่างนั้นมันจะไม่เบื่อหน่ายเลยอนเะหายใจเข้าก็เห็นว่ามันมีแต่ทุกข์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 ที่แจงจุดหมายให้ฟังนั่นเนี่ยออก็ให้จําเอาไว้เพื hey, okay, ่อให้จ no, ิตใจมันสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นในขั้นแรกนี่เน่ะไม่ได้มุ่งว่าจะให้มีปัญญาจะให้รู้นั้นรู้นี้ก่อนยังในขั้นนี้ไม่ต้องการรู้อะไรเพียงแต่ให้ใจมันสงบลงเป็นหนึ่งมันหยุดคิดส่งออกไปข้างนอกนี่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 ทั้งนี้เพราะเหตุว่าดวงคิดอันนี้นะมันสำคัญว่าร่างกายนี่มันเป็นก้อนอมันเป็นตัวเป็นตนนี่นะสำคัญน่าเป็นก้อนแข็งแรงแข็งขันอยู่มันสำคัญอยู่อย่างนี้จิดใจอันนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราภาวนาลงไปใจสงบแล้ว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 ก็ย่อมเสียใจย่อมดีใจสลับกันไปอยู่งั้นเนี่ยดีไม่ดีก็เกิดทะเลาะวิวาดกันเข้ายิ่งเป็นกรรม เ, เวรๆสืบต่อไปก็พอโทษที่มาหวงอัตภาพร่างกายนี้เองเนี่ยอย่างเรื่องนางอุตรากับนางสิริมาเนี่ย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 ไปกราบทูนเรื่องราวที่เป็นมาถวายพระพุทธเจ้าคุยเจ้าแสดงทำให้ฟังจบลงนางศรีมาก็ได้บรรลุโสดาบันแต่ก่อนนี้นางศรีมาสำคัญว่าตนรูปสวยรูปงามไม่มีใครสู้ได้ไปแย่งเอาหัวเขา <c oughs>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 กลัวใะไม่ได้ทะเลาะบอกแวงกับเพื่อนบ้านแล้วก็เลยหวงความโกรดนั้นไวเมื่อหวงไว้แน่นอนแล้วเอาไปเอามานอ น, น, อนถูกเพื่อนด่าว่าเอาเลยก็ตัวก็ทนไม่ไหวแล้วก็วต้องแสดงบทบาทออกไปอย่างเป็นอย่างนั้น <c oughs> แม้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวกอย่างนี้ก็เหมือนกันนี่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 ทางลัดทางตรงมาพูดสู่กันฟังทางลัดทางตรงนี่แหละถ้าบุคคลไม่ตั้งใจยิงจังแล้วมันก็ลัดไปไม่ได้เดี๋ยวก็ไปเดินทางโค้งอีกแล้วเออป็นองนั้นธรรมดาเดินทางลัดที่มันจะมีขวกมีหนามอยู่บ้างออมันจะมีหลักมีตออยู่บ้างก็ต้องถากต้องถานกันไป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 ตอนบ่อยๆแล้วมันหมูกมันจมคือมันจมอยู่ในทิฏฐิความเห็นอันนั้นน่ะความเห็นว่าเราว่าเขาน่ยน่ะมันจมอยู่ในนั้นเรื่องเหมือนนะ่ะมันไม่ยอมสลัดความเห็นนั้นทิ้งนี่ให้เข้าใจกัน <c oughs> ถ้าหาว่าเราหมั่นใช้ปัญญาสอนจิตเตือนจิตนี่บ่อยๆเข้า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 มันปิดสมมติปิดบัญญัตเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นสมมติว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นดีอย่างนั้นคนนี้ชั่วอย่างนี้ชอบหลายเมื่อเข้าหากันแล้วก็ไม่มีอะไรมีแต่ไปหยิบเอาเรื่องคนโน้นมาวิจารณ์หยิบเอาเรื่องคนนี้มาวินิจฉัยอยู่งั้นแหละ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 อันนี้ก็อย่าไปฟังเฉยๆนะเอาไปคิดดูให้มันรู้ว่มันเห็นด้วยตนเองไม่ใช่ว่าว่าให้ฟังเลี้วๆไปเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีทางนะมันจะรู้ได้นะ เ, ออเรื่องใดสาคัญสําคัญแล้วเราต้องน้องเข้าไปคิดไปกรองดูให้มันเห็นชัดโดยตนเองเออท่านแสดงอย่างนี้นะมันมีความจริงเพียงไหน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 พอวิตก ว, วิจารณไปมันก็เกิดเป็นกิเลสหลายสิ่งหลายอย่างไปอ่าหลายเรื่องไปเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ยึดถือปล่อยวางเสียมันก็ไม่ได้วิตก ว, วิจารณ์เมื่อไม่วิตก ว, วิจารณ์จะกิ่งก้านสาขาของกิเลสก็งอกออกไม่ได้อ่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องน่ะ <c oughs>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 ข่มจิตนี่ไว้แล้วมันจะสงบลงไม่ได้เลยนี่การข่มลงไปนี่แสดงว่าบังคับมันแหละบังคับให้มันหยุดคิดหยุดนึกอืมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องที่ไม่ควรคิดไม่คิดมันเลยหยุดต้องหยดุดอมไม่หยุดไม่ได้ถ้าไม่หยุดขืนคิดหน่อยก็เกิดเป็นกิเลส ข, ขึ้นมา ไม่ใช่ว่าเป็นของละเอียดละออจนมองไม่เห็นจนว่าไม่สามารถที่จะละมันได้กิเลสทั้งหลายนะขอแต่ว่ามาฝึกจิตตัวเองนี่นะให้มันได้ก็แล้วกันเลยบังคับจิตตัวเองให้มันได้แล้วอันเรื่องของกิเลสไม่ยากเย็นเลยออ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 อา้าวใช่ปัญญาแยกเงี้ยดูแล้วไม่ในที่สุดก็รู้ชัดเลยแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่สวยตามขอบความนิยมสมมุติอะไรไอ้ที่มันสมมุติกันอยู่ในโลกอันนี้มันหลงตัางหากต่างคนต่างหลงอหลงสมมุติเลยวิ่งไปตามสมมุติมันมันเป็นอย่างนั้นเมื่อบคุคคลใดรู้ตัวแล้วนะพูดให้ตื่นตัวแล้ว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 สะดุ้งตื่นขึ้นไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรนึกว่าแผ่นดินมันถลม่มวิง่งไปอย่างใหญ่โตเลย อ, อ้าสัตว์อื่นที่เห็นเขา้าถามอะ่ะเอ้วิ่งอะไรพอผืดมาอย่างนี้มีอะไรเกิดขึ้นโอ้พื่นแผ่นดินถล่มอะ่ะไม่ไหวนะ อ้าวสัตว์เหล่านั้นได้ยินเขาแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมาหมายก็วิงวว่งตามกันเลยนในที่สุดจนไปเจอไอ้ราชสีเข้าราชสีจึงห้ามหยุดก่อนหยุดก่อนขอถามก่อนนะมันเรื่องอะไรกันนี่วิ่งเป็นฝุงมาอย่างนี้พร อ, พอราชสีรู้เ ข, าข้านั้นก็รู้แล้วราชสีมีปัญญานี่ไหนไหนพาเราไปดูสิ อย่าพึ่งไปเดี๋ยวไปก็ไปตกทะเลตายอ่ะไปดูทกกรขอราชสีห์ห้ามในนี้ก็หยุดกันก็ตามราชสีห์ไปพอไปพิสูจน์ดูที่ไหนได้ลูกตาลมันหล่นลงใส่ใบตาลงหกกระตายนั้นมันตื่นทั้งหลับทั้งฝัน <c oughs> อันนี้แหละชั้นใดก็อย่างนั่นแหละคนเราที่หลงสมมติบรญญัติในโลกนี่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 มันจะวันไว้ไปทำไมเพราะคืนวันไว้ไว้ก็เป็นทุกข์นี่ <c oughs> คนไม่รู้แจ้งน่ะเมื่อของรักของชอบใจมาพลัดาพากจากไปก็ร้องให้ลำเล <c oughs> เพราะเสียดายอะไรนะักของรักของชอบใจนั่นนั้นทั้งนี้ก็เพราะอะไรเนาะ ก็เพราะไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาให้เห็นความเกิดความดับของทุกสิ่งทุกอย่างดังกล่าวมานั้นเองแหละแต่ถ้าได้ภาวนาได้พิจารณาเห็นอยู่อย่างนั้นเสมอๆไปแล้วมันจะไม่เสียใจเศร้าโศกกับอะไรทั้งนั้นเลย mm hmm. เมื่อความเห็นความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะ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 พ่อแม่ของกิเลส ท, ทั้งหลายเหล่านี้ลงแล้วบรรดาลูกลูกหลานหลานของกิเลสมันก็ม้วยมอนไปตามกันนั่นแหละมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรอะ่ะเหมือนอย่างต้นไม้อย่างงี้นะเมื่อเราขุดเจาะเข้าไปที่รากแก้วรากฝอยมันตัดรากแก้วรากฝอยมันขาดออกไปแล้วมันไม่สามารถจะดูดอาหารไปหล่อเลี้ยงลําต้นได้้แลวมันก็เฉาตายเท่านั้นเองเนะย มันจะมีอะไรอะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเลยเมื่อเราเพียรพยายามละความรักละความชังละความหลงนี่ให้บาวางออกไปจากกิจใจได้เท่าไหร่แล้วก็บรรดากิเลสอื่นๆมันก็เฉาตายไปตามๆกันเลยทีเดียวนะอ่เช่นความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพังต่างๆมานะหมูนั้นนะ มันก็เฉาตายไปหมดเลย <c oughs> ให้พากันเข้าใจ <c oughs> อย่าพากันอยู่เฉยๆการที่เราปฏิบัติทำนะต้องให้มีความท้าเปลียนพยายามตะเกียกตะกายต้องมีอุบายเยบขายอยู่ในใจเสมอ นี่การที่มีอุบายแยบคายอยู่ในใจเสมอเนี่ยสำคัญให้เข้าใจกันไว้คนส่วนมากไม่ค่อยมีอุบายแยบคายนะอยู่ซื่อๆไปซื่อๆนี่นะอันนี้ละสาเหตุที่มันละกิเลสไม่ได้นั่นนะเพราะว่าจิตนี่ถ้าหากว่ามัน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 ก็ต้องอธิบายอีกทีหนึ่งถือว่านานนน่ะธรรมดาเราต้องปลูกข้าวลงไปมเมื่อข้าวเจริญ ง, งอกงามขึ้นหญ้ามันก็จเจริญขึ้นตามกันหญ้านัาน้นนันก็ไปแย่งกินอาหารข้าวข้าวนั้นได้อาหาร <c oughs> ไปเลี้ยงลําต้นไม่เพียงพอ <c oughs> มันก็ไม่งาม ม, มันก็สูสบซีดไปอย่างนี้แหละ เหตนั่นน่ะพระพุทธเจ้ายัางตรัสว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษนั่นน่ะทีถ้าว่าเราไปถอนหญ้านั้นออกเสียต้นข้าวนั้นมันก็ลากข้าวนั้นมันก็หาอาหารหล่อเลี้ยงลําต้นของมันได้เต็มที่เลยอ่เพราะไม่มีหญ้าไปแย่งกินอาหารมันอือันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละทานทั้งหลายที่ทา ย, ยกทายิกา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 ในความรู้สึกของเรานะมันเกิดขึ้นมาในใจอย่างนี้แล้วเราก็เต็มใจให้เลยนะได้เกิดความเลื่อนใสขึ้นในใจก่อนให้ทําเป็นไรอะในขณะที่ในขณะ ท, ที่ให้อยู่นั้นก็ดีอกดีใจหลังจากที่ให้ไปแล้วก็ดีอกดีใจอิอ่มใจอยู่ไม่รู้หายอย่างนี้นะเพราะเหตุ น, นั้นะมันถึงได้มีผลมาก ในเรื่องนี้นะจะ ย, ยกอุทาหรณ์มาให้ฟังจากเรื่องหนึ่ง <c oughs> พระนางมหาประชาดีโคตมีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของพระศาสดาเมื่อทราบข่าวว่าพระศาสดาได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วก็เสด็จมาปโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายอยู่ที่กรุงราชชุมานคร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 พระนางก็น้อมผ้าคู่นั้นเข้าไปถวายพระพุทธองค์พระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระนางถวายแก่สงพระนางอ้อนวอนอย่างไรพระองค์ก็ไม่ทรงรับแม้ไะถวายธรรมสาริบุตรพระโมกคันลาไปโดยลําดับท่านเหล่านั้นก็แนะนาให้ถวายแก่สงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระนางก็ไม่ยอม ก็พยายามถวายองค์นั้นองค์นี้ไปองคไหนก็ไม่รับจนว่าไปถึงองค์สุดท้ายนุ่นองค์สุดท้ายนั้นเป็นพระหนุ่มบวชใหม่ยังไม่มีมัสมีผลอะไรเลยมันนี้พระนางก็เสียพระไทยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงรู้อย่างนั้นแล้วก็ทรง หาหนทางระงับความเสียพระไทยของพระนางมหาประชาบุรีโคตมีซึ่งองอเป็นพ่อแม่เลี้ยงของพระ อ, องค์ <c oughs> องค์เจ้าจึงเอาบาทนั้นมาวางใส่ฝ่าพระหัตของพระ อ, องค์แล้วก็ทรงอธิษฐานว่าขอให้บาทลูกนี้จึงเลื่อนลอยหายเข้าสู่กรีบเมฆไปอย่าให้ พระสาวกองได้แสวงหาได้นอกจากอาชิตตะิิษุองค์เดียวเท่านั้นคือองค์ที่รับผ้าคู่นั้นนั่นเองแหละเมื <c ười> <c ười> <ME> ER A, ่อพระองค์ที่ฐานยังในบาทนั่นก็นเลื่อนลอยเข้าสู่รีเม่ไปแลือพระ อ, องค์ก็ทรงรับสั่งให้พระสาวกทั้งหลายไปตามหาบาทพระ อ, องค์ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นภูมิฤทธิ์มีเดช ท, ทั้งก็เหาะไปคนละที่ละทางท่านพระหมหาโมกัลานะัมีฤทธิ์เดชมากกว่าเพื่อนเหาะเข้าไปเสวงหาทุกกระเบียดนิว้วทั้งในพื้นแผ่นดินทั้งในน้ําทั้งบนอากาศตลอดถึงพรห ม, มโลกนั่นก็ไม่มีไม่ได้องค์ใดก็กลับมามือเปล่าทั้งนั้นเลย พระศาสดาจึงได้ทรงรับสั่งให้อธิษฐานิสูนั้นจงหาเอาบาทเราสถาคตสิเพราะอธิษฐาพิสูไม่มีเลืดเบีอะไรนี่เหาะก็ไม่ได้ท่านก็ลุกขึ้นจากที่นั่งมากราพระศาสดาแล้วก็ค่ยยืนอยู่ในที่ควรแห่งหนึ่งแล้วก็ยกมือขึ้นอธิษฐานว่า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 มือของข้าพเจ้าในบัดนี้พออธิฐานจบลงอย่างนั้นทันใดนั้นบาททรงของพระพุทธองค์ก็เลื่อนลอยมาสู่มือของอธิตตภนพิูนั้นท่านก็น้อมเข้าไปถวายพระพุทธองค์เมื่อพระนางมหาประชาบุรีโกตมีเห็นอย่างนั้นก็จึงได้ดีพระไทยบะเนียอ่า ที่เสียพระไทยมาแต่ก่อนนั้นก็กลับดีขึ้นว่าแมมภิกุหนุ่มอง์นี้นับว่ามีบุญวัดสนามมากทีเดียวสามารถอธิษฐานเอาบัตรธงของพระพุทธองค์มาได้พนางก็ได้ความเลื่อมใสด้วยความปีติยินดีในทานที่ตนได้บริจากนั้นเพราะว่าท่านอาชิตาวิสุไม่ใช่เป็นคนหนาไปด้วยขี้เลสนี่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 ยอมสละออกให้ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งนี่ก็ทำให้กิเลสนั้นเบาบางไปตั้งเป็นกองๆเลยทีเดียวอ่ะทำให้ความตนหนีเหนียวแน่นต่างๆนั้นถอนออกไปจากกิจใจอย่างมากมาย <c oughs> ทำให้ส ก, กายติธิความ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 เช่นใครเข้ามาทำหนี้ีเตียน ต, ต, ตนหรือว่ามาคมเหงอะไรตนหรือว่าไม่แสดงความเคารพยำเกรงต่อตนอะไรพวกนี้นะมายั่วให้ตนโกรธยั่วให้ทะเลวิวาดกับเขาอย่างนี้นะเรานั่นไม่ต้องการสร้างกรรมสร้างเวรทีนี้เราให้อภัยไปเลยเราไม่ตอบโต้หาทางหลีกเลี่ยงเลย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 ก็ไม่มีกรรมอีเวณผูกพันกันต่อไปอีกนี่แหละคำว่าอภัยทานนะเพิ่งพากันเข้าใจเป็นทานอย่างสูงทำให้กิเลสทรอาภิญาบาทต่างๆนั้นลดน้อยถอยบาบางออกไปจากกิจใจ <c oughs> ดังนั้นแหละพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านี่ เป็นสันทิธิโกผู้ปฏิบัติเท่านั้นถึงจะรู้เองเห็นเองหมายความว่ากิเลสชนิดนี้ตนได้ละมันมาแล้วอย่างนี้นะก็รู้ด้วยตนเองอืว่าตนได้ละมันมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วคนอื่นจะรู้ให้ไม่ได้เลย ใครเป็นผู้ละคนนั่นก็รู้เอง <c oughs> หรือว่ากิเลสอันใดที่ตนยังละมันไม่ได้อย่างนี้ตนก็เป็นผู้รู้เรื่องของตัวเองะคนอื่นจะรู้ให้ไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> แม่ความทุกข์ก็เหมือนกันนะตนมีความทุกข์ใจอยู่อย่างไรกัหน้าที่ของตนจะรู้จะรู้เองแม่ไปพูดให้ผู้อื่นฟังเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อหรอก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 มันมีเหตุมาอย่างไรจิตของเราจึงเป็นทุกข์อย่างนี้ก็ต้องสาวหาต้นตอมันแหละมันต้องมีถ้าไม่มีเหตุทุกข์มันจะไม่เกิดขึ้นเลยทุกทางใจนะแต่ทุกทางกายนี่ก็เหมือนกันแหละถ้าโรคภัยไม่เบียดเบียนแล้วร่างกายนี่มันก็เป็นปกติมันก็ไม่ป่วนปานวันไหวเท่าไหร่นะอย่างนี้นะแต่ทีนี้ถ้าว่าโรคภัยเบียดเบียนเข้าร่างกายนี่ ส่วนไหนที่โรคภัเบียดเบียนร่างกายส่วนนั้นก็ต้องแปรปรวนอเป็นต้นว่าปวดท้องปวดศีรษะปวดหลังปวดเอวอะไรหมู่นี้นะ <c oughs> มันก็เพราะมันมีโรคไภัไปเบียดเบียนมันมันถึงแปรปรวนไปอย่างนั้นเ <c oughs> มดืดวงัวจิตนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละก็เพราะว่าจิตนี่มันยึดเอากิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งไว้นะ